ที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นความดีงามใช่ไหมให้ผลเป็นความดีงามนั่นคือลักษณะของกุศลลักษณะของบุญเนี่ยจิตของกุศลก็คือทําลายอกุศลทําลายบาปคําว่าทําลายอกุศลทําลายบาปก็คือว่าเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นนะไม่ว่าทานอกุศลเกิดขึ้นศีลกุศลเกิดขึ้นภาวนากุศลเกิดขึ้น ตัวกุศลนั้นจะต้องทำลายอะไรทำลายกามาฉันทะได้ทำลายพยาบาทได้ทำลายถีนมิทธาได้ทำลายอุทธาจากกุกุจะวิจิกิจฉาอาวิชามันต้องทำลายได้จริงนในขณะฟังธรรมในขณะฟังธรรมเมื่อสักครู่ท่านมหาอำนาจบอกว่าบอกว่าง่ายบอกว่า อภพิททะเลสถากรารณ์นีเน่ะพึงเร่งรีบเนะยนะรีบเร่งกระทำความดีก็คือต้องชิงยังหวะให้ความดีมันเกิดอย่าให้ความชั่วเกิดแม้ในขณะฟังธรรม่ต้องชิงโอกาสตลอดเวลาไหมต้องชิงตลอดเหมือนนักวิ่ง่ะวิ่งแข่งกันอยู่อย่าให้บาปมันวิ่งแซงหน้าสิก็ให้บุญนะ่วิ่งแซงมันเป็นเรื่องการต่อสู้นะ ระหว่างจิตที่เป็นบุญกับจิตที่เป็นบาปแต่ถ้าจิตเป็นบาปเกิดขึ้นในจิตที่เป็นบาปมันจะทําลายจิตที่เป็นบุญนะแล้วมันก็จะปิดกัน้นไม่ให้บุญเกิดนะแม้ขณะฟังธรรมเนี่ยเวลานี้นะไม่ใช่เวลาอื่นเราจะไปคิดว่ามาตรงนี้เป็นเวลาไม่ใช่เวลาจเจริญกุศล น, นะเวลาเนี้ยเวลาจเจริญกุศลทีนี้ในขณะเนี้ยเขาเร่งรีบไนงะเร่งรีบ รีเพ่งในการที่จะทําให้กุศลเกิดกุศลก็คือทําให้จิตดีเนี่ยเกิดทําให้ลักษณะที่จิตที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกุศลจิตเกิดขึ้นสังเกตว่าตอนเนี้กา ร, รมาฉันทาก็ไม่ก้มรุมพยาบาทก็ไม่ก้มรุมถีนามิทาก็ไม่ก้มรุมอุทัจักกุกุจาก็ไม่ก้มรุมวิจิจฉาก็ไม่ก้มรุมอาวิชาก็ไม่ก้มรุมบาปอกุศลธรรมอลารมก็ไม่ก้มรุมใจเลยแสดงให้เห็นชัดว่าตอนนี้ตอนนี้ กุศลนั้นกําลังทําลายอากุศลอยู่อันนี้แปลว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะแก่การฟังธรรมแล้วถ้ามาแสดงธรรมเอามาบาปเกิดตลอดนี่มาแย่เองนะเนี่ยไม่เจริญกุศลในขณะแสดงธรรมใช่ไหมก็ผิดอีกตั้งจิตผิดเน่ยถ้าผู้ฟังไม่เจริญกุศลในขณะฟังผู้ฟังก็ผิดอีกไม่ได้สราบคําว่าพิทเลธะกัลยาณี ก็แปลไม่ได้จิตดีเกิดขึ้นไม่ได้กัลยาณจิตเกิดขึ้นไม่ได้กุศลจิตเกิดขึ้นไม่ได้กุศลจิตเกิดขึ้นยังไม่พอยังแยกไม่ออกด้วยว่าเป็นสมานัตหรือเป็นอุเบกขาเป็นมีปีติประกอบหรือไม่ประกอบเป็นญาณสามปยุทธ์หรือวิประยุทธ์ยังไม่รู้อีกอันนี้ เ, เรียกไม่รู้ชัดกุศลนะและกุศลผลปรากฏของกุศลมันจะต้องเป็นความสะอาดเป็นความผ่องแผ้วเป็นความผ่องใสใช่ไหม เป็นความสะอาดเป็นความผ่องแพ้วเป็นความก็สังเกตใจในขณะนี้ได้ว่าท่านทั้งหลายเดินกุศลได้จริงหรือไม่ก็เวลานี้เป็นเวลาเวลาปฏิบัติแล้วเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติแล้วไม่ใช่เวลาอื่นนะเวลานี้แหละเป็นเวลาปฏิบัติที่จะประครับประคองจิตให้เดินเป็นไปกับกุศลเอาทาไมกุศลไม่เกิดเพราะไม่พิจารณาลมด้วยปัญญาขาดโยนิโสมนัสิการเพราะขาดโยนิโสมนสิการพระธรรมก็เลยไม่ เข้าส <di ู่ใจเลยใช่ไหมอาโยนิโสมนสิการเนี่ยถ้าอาโยนิโสมนัสิการเนี่ยจะเป็นอกุศลเกิดต่อใช่ไหมเพราะอันนี้เหตุใกล้ชิดเลยนะเนี่ยอาโยนิโสกะโยนิโสมนัสิการเนี่ยนะการพิจารณารมด้วยปัญญาการพิจารณารมด้วยโมหะเนี่ยการพิจารณารมด้วยโมหะกับพิจารณารมด้วยปัญญาเนี่ยต่างกันนะถ้าโมหะเป็นผู้ไปไข้ควรตัวเองเนี่ยอกุศลก็เกิดเพราะอกุศลถ้าเกิดปุ๊บ มันก็แปลว่าอะไรเป็นอาศัตบุรุษใช่ไหมเป็นคนพานใช่ไหมอาศัตรูหลุษเป็นคนพานก็ไม่ปรารถนาจะพบภรรย า, าไม่ปรารถนาจะฟังธรรมตอนนี้หลับดีกว่ามันจะไปอย่างนั้นแหละบอกไม่เอาแล้วใจไม่ไหวเพราะไม่อยากเป้าแล้วพระเจ้าเนี่ยวเป้าไปก็ไม่ไม่เป็นประโยชน์แก่ออกุศลแล้วมองเห็นไหมใจมันก็จะท้อถอยไปแล้วเงี้ยเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็สังเกตว่าจริงๆต้องรีบเร่งจริงๆ เมื่อสักครู่เนะี่ยถ้าเราดูในชั้นของคำสอนที่ในจุเลกษสาดกเนี่ยให้สังเกตดูนะเอามาทบทวนนิดนึงนะว่าท่านมีผ้าผืนเดียวใช่ไหมทีเ่เป็นผ้าห่มไม่ใช่ผ้านุ่งใช่ไหมออเอามาฟังด้วยเพื่อนเ่านองเ์็นวัาห่มใช่ไหม ตอนกลางคืนงคนถ้ามีผ้านุ่งไม่กล้าเลยนกล้าไมกล้าตรงนี้ก็คือว่าพราหมยยับยั้งอยู่ในเรือนตลอดวันนตอนตอนกลางตอนกลางวันใช่ไหมแต่พอตอนกลางคืนนั้นไปนั่งฟังธรรมด้านหน้าประพักของพระบรมศาสดาปิติทราบซ่านทั่วสรีระกับปิติทั้งห้าอย่างที่ท่านมหาพูดเกิดขึ้นแล้วเขาเป็นผู้ใคร่จะบูชาพระาศาสดาบูชาธรรมด้วยบูชาพระาศาสดาด้วย ถ้าจากถวายผ้าสาดกเนี่ย ผ, ผ้าห่มของนางพราหมณีก็จะไม่มีเราก็จะไม่มีคิดสองคนคิดถึงภรรยาก่อนหรือตอนเองก่อนคิดถึงภรรยาก่อนคิดถึงภรรยาก็จะไม่มีผ้าห่มออกนอกบ้านและตนเองก็จะไม่มีพอคิดว่าจากบูชาผ้าสาดกเนี่ยบอกว่าไม่มีขณะนั้นจิตก็ประกอบไปด้วยความตนหนีท่านบอกว่า จิตที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจของศรัท ธ, ธานะ่ยโดยชั้นคําสอนท่านใช้คําว่าหนึ่งดวงท่านใช้อย่างนั้นนะแต่ในข้อที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเกิดขึ้นหนึ่งดวงแต่อกุโศลจิตที่มีมัชชริยะเป็นประธานเนี่ยพันดวงเห็นไหมใช้คําว่าหนึ่งต่อพันเนะี่ยใช้คําว่าหนึ่งต่อพันก็แล้วกันมันหนึ่งดวงเป็นไปไม่ได้ไงหนึ่งต่อพัน ศรัทธาโลดแล่นปบจนปีติได้เนี่ยโอ้โหอกุศลมาเต็มเลยก็มันเคยชินน่ยบาปมันเคยชินจะตายก็ขเข้ามาแทรกปบบปบปบปบเป็นพันเลยเนี่ย น, ยนะฟืบตกไม่ตกตกเลยสี่ชั่วโมงอะ่ะสู้ไม่ได้ก็เหมือนคนบางคนมานั่งฟังธรรมสองชั่วโมงสู้ไม่ได้ไกับอิทีินะมิธาเนี่ยสู้ไม่ได้กลับไปก็คือ น, นี้เนี่ไม่ใช่เรื่องสมัยพุทธกาลเรื่องวันนี้เรื่องเกิดขึ้นวันนี้ต้องพูดอย่างเนี้นะ สมัยหนึ่งที่ชมลมฝ่ายธรรวันพฤษนี้ต้องพูดอย่างนี้ไหมคือคือตัวอกุศลอกุศลไวอกุศลมีมิน ม, มากกว่ามีกําลังมากกว่าสี่ชั่วโมงต่อสู้ครครอบงำศรัทธาจิตไอความตหนีที่มีกําลังของเขาเนี่ยคอยกีดกั้นศรัทธาจิตเอาไว้เหมือนกับจับมัดไว้เลยจับมัดไว้อย่าขึ้นมาอีกนะ อย่าขึ้นมาอีกนะนี่เหมือนการกรณีอย่างนี้เราท่านทั้งหลายเวลาจะฟังธรรมทั้งหลายเนะี่ยใจน่าจะโลดแล่นถึงพระธรรมคาสอนของพระบรมศ า, ศาสดาอย่างกว้างขวางอย่างยิ่งใหญ่อย่างไพศาลอํานาจปีติน่าจะเกิดตั้งแต่เบื้องต้นท้ามกลางและที่สุดในการฟังธรรมใช่ไหมแต่เกิดไม่ได้แล้วก็ถูกมัดถูกไรมัดตอนเนี้ยถูกถีนมิทะเป็นประธานนะซึ่งมีความหนักของจิตความหน่วงของจิตเนะ่ะผูกมัดไว้ เหมือนกับถูกมัดมือมัดเท้ามัดไว้กับหลักไม่ให้ดิ้นอย่างนั้นแหละตลอดกี่ชั่วโมงก็ว่าไปอตอนนี้ใครถูกมัดแบบนั้นถูกมันมัดแล้วไม่ให้ศรัทธาโลดแล่นใช่ไหมแทนที่ศรัทธาจะออกมาทํางานได้ออกไม่ได้เลยคือมีนะไม่ใช่ไม่มีนะพอศรัทธาเข้ามาทํากิจได้นิดเดียวนะคล้ายๆหนึ่งส่วนอีกพันส่วนอกุศลที่เคยชินเพราะตนเองเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย ไม่ชนะกิเลสมาอย่างยาวนานแล้วในสังสารวัตเป็นผู้ที่อกุศลนี่ครอบงำชนะมาอย่างยาวนานแล้วแล้วเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจตัวเองมาตั้งนานแล้วใช่ไมไม่รู้จักตนนะ่ะอย่างนี้เขาเรียกไม่รู้จักตนนะคาว่าไม่รู้จักตนว่าตนมีศรัทธาแค่นี้ควรจะเพิ่มก็ไม่รู้ตนมีศีลตนมีสุตตะตนมีจาระาตนมีปัญญาเขาเรียกคนไม่รู้จักตนนะ่ะ พระศาสดาบอกไม่มีสัพุริสบัญญัติคือว่าไม่ไม่ไม่ต้องรู้ต้องอ่านตนเองออกไหมผู้ศึกษาพระธรรมต้องรู้จักตนต้องรู้จากตนถึงถ้าไม่รู้จากตนแล้วเนี่ยจักคํานวณไม่ได้ว่าตอนเนี้ยศรัทธาที่จะเป็นเกื้อกูลต่อศีลเป็นต้นเนี่ยนะศีลสุตะสุตตะเนี่ยลักษณะข้อมูลคําสอนชัดเจนหรือยาวอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกรู้จักตน ตรงนี้พิจารณา ah อย่างนี้ก็คือถูกมัดเรียบร้อยเลยนั้นแต่ละบุคคลเราท่านทั้งหลายก็ถูกมัดกันเป็นระยะระยะบางกลุ่มก็ถูกมัดเชลยะนเนี่ยเป็นประธานในการมัดบางกลุ่มก็ถูกถีนมิถะเป็นประธานในการมัดบางกลุ่มก็ถูกกามฉันท้าเป็นประธานในการมัดบางกลุ่มก็ถูกพยาบาทนั้นเป็นประธานในการมัดเย้ไหมบางกลุ่มก็วิจิกิจฉาเป็นประธานในการมัดบางกลุ่มก็ไอตัวใหญ่เลยโมหะเป็นประธานไว้มัดเลยเี๋นี้อยู่มัดเลยเดีเยวนี้ กุศลก็เกิดได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะแต่เกิดได้หนึ่งส่วนนะแต่อกุศลพันส่วนก็แวดล้อมพันส่วนก็แวดล้อมกลุ่มเนี้ยมีปัญหาใช่ไหมทีนี้เมื่อรู้ว่ามีปัญหาพราหมณ์จูเลกาสาดกท่านไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ใช่ไหม การต่อมานี่นะเมื่อเขากําลังคิดดูจากถวายจากไม่ถวายสองส่วนแลน้วทีนะี้ถวายจากไม่ถวายสู้กันดังเนี้ยสี่ชั่วโมองโล่งล่วงไปแล้วพระาศาสดาก็รู้ใช่ไหมก็คอยลุ้นฟังทมเรา่ายังนี้ดีไหมเวลาอากุศลเกิดแล้วก็บอกว่าเอาท่านช่วยสแสดงทำไปเรื่อยๆให้พระาศาสดาอยู่เป็นเพื่อนโยมหน่อยยอมจะเอาชนะอั น, นี้ได้กิเลสตัวเนี้ยทำอย่างนี้ดีไหมยอมก็จะไม่ลุกแล้ว จะไม่ทํางานอื่นแล้วจะปิดโทรศัพท์และจะลองดูสักทีจงวันเนี้ยเล่นกับมันดูสักสักยกหนึ่งอาดีัหมถ้าทำเงี้ยเป็นไปได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยน่าลุ้นใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเออพอได้น้ําได้เนื้อแล้วพอจะเริ่มเห็นนักสู้ตัวจริงเงเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยยอมพูดเล่นๆ น, นะ <c oughs> <c oughs> อยูุกแต่อย่างเงี้ยเราลำบากเลยดิขันมัชชิมายามเนี่ยนะ อีกตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยสี่ทุ่มถึงตีสองเขาก็ไม่อาจจะให้มัชชิมยามนั้นเขาก็ไม่อาจจะชนะได้เกิดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหนึ่งส่วนตัวมัชชริยะตัวตนีนี่นะตัวมัชชริยะทั้งหลายเหล่านี้ก็แวดล้อมอีกพันส่วนก็เป็นไปอย่างเงี้ยมัดถูกจับมัดโดกล็อกไว้หมดเลย ล็อกไว้หมดเลยโอ้มันเป็นเรื่องยากมากนะถ้าเรามาคิดดูนะว่าอย่างนี้มันให้หมดแล้วนะใช่ไหมมันให้หมดจริงๆรนะต่อไปแล้วเขาจะออกจากบ้านอย่างไรภรรยาจะออกจากบ้านอย่างไรก็มันหมดจริงๆเลยเนะ <c oughs> <c oughs> ี่ยมันหมดใช่ไหมันออกไม่ได้นะถ้าไม่มีผ้าคลุมนี้ยนะะยายก็ปล่อยตัวล้นๆแล้วก็มีแต่ผ้านุ่งเหมือนจงกระเบนแล้วตัวเปล่าๆอย่างนี้ไปก็ดูกะไรในะชอบคนนะนะ่ ถ้าเรามองถึงบรรยากาศใช่ไ้ยแค่เราหนาวหนาวอามาก็นึกถึงตนเองนี่นะพอนึกถึงเรื่องนี้ทำไมมาป่ารบเรื่องนี้รู้ไหมเอามามีผ้าไอ้นี่ไว้ไว้ไว้ไว้ไอ้บางๆหน่อยไว้ที่ว่านั่นคอเวลานอนนี่เนอะเพราะว่าอากาศด้วยอะไรด้วยใช่ไ้มเรามันจะช่วยได้หน่อยแล้วก็ปิดคุมหัวเวลานอนบ้างใช่ไหมได้ช่วยเรื่องอะไรหลายๆอย่างเวลาปิดตอนตอนนอนตอนเนี้ย ทีนี้อากาศก็นหนาวเวลาไปไปเป้าที่พระคันธกุฏดีของผู้ได้ย้าอคิดหนักเลยตอนนี้อสอนเขามากด้เรื่องทานเนี้ยม่ททำสติลยเนี้ตรงนั้นเนี่ยมาพิจารณาตัวนี้ว่าสละเลยทีนี้า พ, พิจารณาปรุงแต่งจิตและเบรเซด น, นไม่ให้การเวลาผ่านไปแล้วไม่อยากจะเป็นจั่วเละกสารดก กูส่วนและจิตเกิดขึ้นแล้วต้องรีบแล้วก็พิจารณาก็สละให้ไปเลยเออแปลกจริงๆนะที่ที่โหดเมื่อวานเนี่ยะกลับไปนอนแล้วไปคิดแล้วปล่อยให้มัจฉริยะพุ่งไปนิดหนึ่งเนะนี่ยนึกถึงผ้าอันนี้ดูเลยเนี่ยโอ้โหนี่ดูขนาด น, น, นั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยนึกถึงผ้าเวลานอนแล้วเกิดไอขึ้นมาเลไอยนะ่างเนึกเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เนี่ยลักษณะอย่างนี้นิยกตัวอย่างว่ามันจะเผอมาแม้ขณะนิดหน่อยแม้ขณะนิดหน่อยมันยังมาได้ทั้งๆ ท, ที่สละถวายพระบรมศา ส, สดาแล้วเราท่านทั้งหลายที่ไม่เคยถวายเลยแล้วเรอไหมคําว่าไม่เคยถวายหมายความว่าไม่ค่อยเคยน้อมจิตในการถวายบ่อยๆไม่ใช่ว่าไม่เคยถวายไม่เคยน้อมจิตในการเดิษสละบ่อยๆหลังจากสละแล้วสละซ้ําบ่อยๆสละซ้ําบ่อยๆเนี่ยนะ ถ้าถ้ามองในรักษณะเงี้ยนะแล้วก็เมื่อปัดฉิมายามนั่นแหละเนะยเขาก็ในสุดจริงๆเขาก็สามารถที่จะศรัทธาจิตก็โลดแล่นในใจเขาได้เป็นต้นท่านถึงใช้คำว่าพึงรีบกระทาด่วนดวน่ดวนเร็วเร็วเนี่ยบอกว่าตรงเนี้ยเนะี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นเห็นว่าเมื่อถ้าถามบอกว่าจะทาอย่างไรให้จิตผ่องใส ท่านบอกว่าหนึ่งละโทสะต้องละโทสะตอบว่าต้องละโทสะเพราะโทสะเป็นประธานกุมมัชริยะเนี่ยถามต่อไปว่าจะละโทสะได้อย่างไรด้วยการยึดยึดอะไรยึดเอาเจตนาที่เป็นไปกับทานกุศลเป็นต้นเนะ่ยยึดเอาศัทธาทานเป็นอารมณ์ยึดเอาสักดจทานนะ ยึดเอาความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยในการสละในการให้เป็นต้นมาเป็นอารมณ์นั้นประการหนึ่งใช่ไหมคือให้ด้วยศรัทธาเพราะการให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยเหตุคือการให้อย่างนี้แล้วจะประกอบไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงที่บริบูรณ์ใช่ไหมเราจะเป็นผู้ผ่องใสในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเราเนี้ย น, นี้เราเห็นเหตุผลผล การต่อมาคือว่าให้นึกถึงเจตนาที่เป็นไปกับศรัทธาวิริยะสติหรือเป็นไปกับฉันทาวิริยะจิตตปัญญาที่มีการให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมเพราะการให้ด้วยความนอบน้อมแปลว่าเข้าไปอยู่ในส่วนของสัพหริตสถานสัริตสถานใช่หให้ด้วยความนอบน้อมเพราะให้อย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราบริบูรณ์ทั้งทราบภายในและภายนอก และก็เป็นผู้ที่มีส่วนแห่งการที่จะได้บุตรบริวารทั้งหลายเป็นผู้เชื่อฟังไม่ขัดแย้งแล้วก็กรณีแห่งการที่ว่าฉันทาอุรยาจิตตาปัญญาที่เกิดร่วมกับกุศลที่เป็นไปในขณะที่ให้แบบเป็นกาลทานที่รู้การนั้นเหมาะสมในการที่จะให้เป็นต้นแล้วก็เป็นไปในการที่ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นที่เป็นไปในลักษณะของการสละได้เด็ดขาดเป็นต้นดังกล่าวฉะนั้น กรณีในรักษายึดเอานั่นแหละยึดเอาเจตนาทานเป็นต้นยึดเอาวัตถุทานที่เคยสละเป็นต้นยึดเอาการกระทําเป็นต้นมาเป็นอารมณ์เมื่อบูชาหรือการสละการให้ยึดเอากุศลเหล่านั้นเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ในเจตนาเหล่านั้นในทานเหล่านั้นละโทสาเสียละโทสาเสียเมื่อบูชาเนี่ยมีจิต กำจัดความมืดคือโมหะนี่นะีสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่ประดุดดังดวงประทีปก็จะเกิดขึ้นแปลว่าเจตนาที่เป็นไปกทานากุศลเป็นต้นเหล่านี้ในกรณีที่การสละเป็นต้นเหล่านั้นเมื่อกุศลลจิตเกิดขึ้นเขาจะทําลายโลภะใช่ไหมทานอากุศลเนี่ยทำลายโลภะเป็นต้นหรือทำลายอากุศลเป็นต้นเนี่ยไอโลภะน่ะจะถูกเพราะการสละเนี่ยเขาทำลายโลภะโดยตรงเลย และในขณะเดียวกันก็คือว่าทําลายโทสะเพื่อเรายึดเอาการกระทํานั้นเป็นอารมณ์เพื่อให้จิตนั้นผ่องใสสภาพจิตความผ่องใสเกิดขึ้นโทสะก็ถูกละถูกบรรเทาไปก็กําจัดความมืดโมหะโมหะก็คือที่ว่าเอาสัมมาทิฏฐิเป็นดวงประทีปมีเมตตาในสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวดำํำริเจตนาธรรมเหล่านี้ยนะเจตนาในทา คือหมายความว่าเจตนาทานในไตยธรรมที่เป็นอารมณ์นั้นบุคคล น, นั้นตั้งมั่นในทานเหล่านั้นก็ยึดมั่นเป็นอารมณ์ย่อมละโลภะก็หมายความบอกว่าถ้าเราจาักอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นวัตถุทานตัววัตถุทานนี่นะแล้วก็จิตที่คิดจะให้เป็นต้นเหล่านี้ถ้าเราไปเอาบุคคลหรือเอาตัววัตถุนี้เป็นอารมณ์อยู่ว่าเราได้สละเราได้ให้แล้วเนี่ยจะละโลภะได้ จะไม่ติดข้องต่อไปจะเป็นปัจจัยการไม่ติดข้องสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุนั้นอีกต่อไปและบัญญัติที่เรียกว่าเป็นที่เป็นบ้านเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ใช่หมหรือว่าเป็นข้าวของทั้งหลายที่เราสละเราให้ไปเนี่ยต่อไปจะทำลายโลภะในวัตถุชิ้นนั้นได้พอยึดเอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาไข้ควรมาพิจารณาพิจารณานะมีปัญญาเกิดนะอย่าลืมนะแต่ว่าจริงๆตัวเนี้ยละโลภะได้ แต่ถ้าถามบอกว่าที่จะละโทสะได้เนี่ยนะมก็หมายความบอกว่าย่อมละเนี่ยย่อมละโลภะอันมีทตรยธรรมเป็นปัจจัยต่อไปนั้นนะ่ะเมื่อเรามีไตรยลักษณะของไตรยธรรมนั้นจะไม่เป็นปัจจัยแก่โลแก่โลภะอีกแล้วเพราะเราสามารถทุบสามารถทําลายได้แล้วด้วยการที่เคยสละเคยสละแล้วก็ปรุงแต่งจิตตั้งแต่ก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังให้ใช่ไหมเมื่อ พิจารณาอย่างนี้ก็บอกว่าย่อมละความโกรธคือโทสะอันมีปฏิฆาหกเป็นปัจจัยถามว่าถ้าหากว่าเราไม่ไม่พิจารณานะว่าให้สังเกตตัวนะว่าทานกุศลเนี่ยโดยมากแล้วจะมีตัวเนี้ยตัวทยธรรมเนี่ยนะตัวพระจะไปยึดในตัวทยธรรมแต่โทสะเนี่ยมักจะไปประทุษล้ายปฏิฆาหกคือผู้รับ คือเรามักจะไม่พอใจผู้รับแล้วก็จะมักจะไปยึดติดไอ้ตัวเนี้เออจะทําลายยังไงสองตัวเนี่ยสองตัวเลยท่านก็บอกว่าเมื่อใครควรกรณีอย่างการที่ให้เป็นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะละสองตัวนี้ได้ย่อมละโมหะที่มีโลภะโทสะ ท, ทั้งสองนะั้นเป็นเหตุ ด, ดังนี้เชื่อว่าย่อมละโทษทั้งสามด้วยประการอย่างนี้บุคคลนั้นก็จะปราศจากความกําหนัดในโภคาซั์ แล้วก็กำจัดโทษในสัตว์ทั้งหลายละนิวรณ์เป็นต้นแล้วกำจัดโทษตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้ว่าสรุปประเด็นตรงนี้นะตรงนี้ท่านเขียนไว้สามแถวสามบรรทัดนี่นะการทําความเข้าใจคืออย่างนี้เจตนาในกรณีที่ทานในกะุศลเนะี่ยปุพพะเจตนามุนจ่าเจตน า, ตนาประเจตนาสังคมยุคผู้ศึกษาพระธรรมกันในยุคยุคหลังๆมาเนี่ย เดินปุพพาเจตนายังไม่ค่อยแข็งแรงแต่บางท่านก็ไปแล้วเนี่ยบางท่านท่านได้ทําได้แข็งแรงปุบพาเจตนาเจตนาที่จะเกิดก่อนเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นทา น, นากุศลนี่เลยแต่ทํากันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะปุบพาเจตนาที่จะเดินให้เกิดได้จริงๆเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ไม่เห็นไม่ทําให้ปุบพาเจตนาให้แข็งแรงมุนจ่าเจตนาและปราพร ะ, ระบางคนก็เสียไม่เหมือนกันนะถามเลยเนาะที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยว่าใคร ได้ปุพาเจตนาได้มากใครได้มุนจาาเจตนามากใครได้อ布รา拉เจตหรืออร拉เจตนาได้มากอ้าในเจตนาสามการเหล่านี้ที่เป็นเจตนาทานเหล่านี้พูดถึงเจตนาเนี่ยกล่าวถึงกุศลธรรมทั้งหมดนะแต่เอาเจตนาเป็นตัวนำในฐานะเป็นทานเจตนาที่เป็นทานเนะใครได้ตัวไหนที่ค่อนข้างได้ค่อนข้างดีหน่อยก่อนให้ขณะให้หลังให้ โดยหลักนี่เราเข้าใจกันมาแล้วว่าก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมสายให้แล้วก็ปลื้มใจเนี่ยแต่ขนาดไหนที่คิดว่าคิดว่าทำได้ดีหลังจากให้แล้วใช่ไหมโ ย, ยมบวรวัตรบอกว่าหลังให้นอกนั้นนอกนั้นมีใครได้ขนาดไหน ขณะให้ใช่ไหมได้มูลจากเจตนาขณะให้ก็มีหลังให้หลังก่อนให้มีไห ม, มก่อนให้ฮะอ๋อแล้วแต่บางอย่างนะการการให้นะะการสระเรื่องทานเนี่ยนะค ะ, ะที่ ก็คือเป็นการร ะ, ะเรื่องความโลภโดยตรงะนะจค่ะแล้วกย็ยมอยากเดินถามว่าถ้าเท่าที่ยอมมองนะคะยมว่าการให้แต่ละครั้งบางครั้งก็แม้ไม่ให้ก็ไม่ไม่เกิดมัจฉาญาก็มีอยู่ค่ะคือคือการที่ไม่ได้สละเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ว่าเป็นผู้ที่จะตรณีเสมอไปนะคะมันก็ต้องมีเรื่องของ องประกอบเนี่ยไม่ใช่ว่าสมมุติมีผู้ที่เกี่ยวข้องมออีได้มาถึงแล้วแต่พิจารณาแล้วว่าอันนี้ให้แล้วไม่สมควรจะเป็นที่ตั้งแห่งความเสียหายของบุคคลผู้นั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เนี่ยในบางคราวก็ออมองว่าก็เป็นการไม่ได้ ผู้ให้เนี่ยก็ก็ไม่ได้ตัดเอ่อไม่ได้หมายควาะมีมัจฉริยะอยู่นะคะคือแรกแต่เนี่ยโยมว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยผู้วัตถุทานผู้ให้ผู้รับนะคะโดยเฉพาะผู้รับเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่เรียกว่าความถึงพร้อมนะคะโยมว่าถ้าผู้ที่ให้โดยความคล่องแคล่วแล้วส่วนมากเนี่ยการที่จะบอกว่ามีความตลี่โยมว่ามัน ค่อนข้างเป็นเรื่องที่เกิดยากแต่การให้ที่จะให้กับผู้รับที่เป็นผู้ที่มีความปฏิฆาตต่อกันอันนี้ยค่ะโยมว่าเป็นเรื่องที่การให้แล้วจะทำยากแล้วอันนี้เนี่ยโยมว่าจะเห็นความมัจฉริย ะ, ะชัดเจนถ้าสามารถทำได้เนี่ยมันตัดมัจฉริยะลงได้ค่ะในในในในความที่โยมเข้าใจอ่ะนะจ๊ะบวนบวเออคืออย่างนี้นะว่า ทานอ ก, กุศลเนี่ยเป็นเรื่องของคนมีปัญญาเห็นไหมเขาเรียกสัปุริสทานเมื่อกี้ท่านขับเน้นคําว่าสัมมาทิฏฐิเป็นดวงประทีปที่มาพยายามจะขับเน้นตรงเนี้เพื่อจะไปสู่เป้าหมายตรงเนี้ยทําความเข้าใจก่อนว่าเวลาเราจะเจริญทา น, น ก, กุศลนะเมื่อสักครู่ยอมเอาน้ํานี้ถวายพระนะถวายพระใช่ไหมถวายพระอะไรเนเวลาเจริญทานกุศลเนะียยอมนะ ตัววัตถุเป็นตัวให้ผลหรือตัวเจตนาเป็นตัวให้ผลก็ตอบกันได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ตัววัตถุเป็นตัวให้ผลใช่ไหมตัวเจตนาเป็นตัวให้ผลพอรู้จากตัวให้ผลแล้วนะว่าทีนี้ตัวเจตนาที่เป็นไปกับมหากุศลดวงใดดวงหนึ่งในแปดดวงนั้นเป็นตัวให้ผล ทีนี้ดูก่อนว่าปริมาณของเจตนาเนะี่ยจริงเกิดได้มากและน้อยไม่เท่ากันไงบางคนน่จากน้ำหนึ่งขวดเนี่ยสามารถผลิตเจตนาก่อนให้ขณะให้หลังให้ได้อย่างมหาศาลแต่บางคนได้นิดหน่อยเจตนาเหล่านั้นล้วนเป็นปัจจัยต่อการให้ผลไงนี่ไงคือความความแตกต่างกันของการให้ที่ต่างกัน วัตถุชิ้นเดียวกันแต่ผลที่ต่างกันเพราะเจตนานั้นต่างกันนี่เริ่มจะเห็นมุมแล้วนะว่าแต่ต้องมีวัตถุนะไม่ใช่ไม่มีนะเพราะวัตถุนั้นเป็นเชือกยึดเป็นเชือกยึดที่จะเอามาเป็นอารมณ์อารมณ์ในการที่จะปรุงแต่งจิตประดับจิตให้ได้ที่จะทำให้เจตนานั้นเป็นไปได้อย่างยาวไกลได้เนี่ยต้องมีต้องมีต้องมีสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นวัตถุทานแต่เป้าหมายคือการสละวัตถุนั่นแหละ นะสลาวัตถุนี่แหละดังเก่านี่แหละทีนี้พอเจตนาเป็นตัวผลิตวิบากก็จะเห็นแล้วว่าเมื่อให้น้ำเป็นต้นใช่หให้สังเกตดูที่ว่ากลุ่มที่ที่ใช้คำว่ามีสัมมาทิฏฐิประดุดังดวงประทีปก็แปลว่าการให้เนี่ยเห็นเหตุปุ๊บเนี่ยท่านเข้าใจผลเข้าใจเลยว่าผลอะไรจะเกิดขึ้นกับตนเองเช่นพระโพธิสัตว์ให้ข้าว ท่านจะมีท่านจะมีความเข้าใจในขณะนั้นบัดเดียวนั้นเลยว่าท่านจะมีส่วนแห่งอายุวันนะความสุขกำลังและปฏิพานด้วยการให้ข้าวนี้ท่านจริงให้ลงไปเลยในขณะนั้นท่านย่ท่านประกอบเหตุท่านเห็นผลงนั้นปุพาเจตนาท่านคิดถึงข้าวปุ๊บเนี่ยปุพาเจตนาก็เห็นเหตุเห็นผลและมุนจากเจตาท่านประกอบเหตุอยู่ก็เห็นเหตุและเห็นผลที่จะปรากฏกับท่านนะ และกษัตริย์ประสาททั้งหลายด้วยมุนจัดอปราประเจตนาอราเจตนาอ布拉 ป, ประเจตนาทั้งหลายท่านก็มาไข้ควรตลอดว่าท่านได้ทานทานของท่านเนี่ยไ ด, ด้ท่านได้ดีแล้วหนอเห็นไหมทีนี้ประการต่อมาลองมาดูที่ว่าตัวเจตนาที่เกิดขึ้นที่เป็นไปกับกุศลเวลาให้วิบากถ้าให้วิบากในปฏิสนธิการก็คือให้มหาวิบากแปดวดวงใดดวงหนึ่งนะ แล้วก็ให้ปฏิสนธิกรร ม, มชรูปนั่นเป็นส่วนของรูปประสันฐานแต่ถ้านามก็คือให้มหาวิบากแปดรวมทั้งเวทนาขันก็อยู่ในนั้นสัญญาขันก็อยู่ในนั้นสังขารวิญญาณขันก็อยู่ในนั้นแล้วก็กระตัดตรูปนะปฏิสนธิกรร ม, มชรูปนั่นเองนั่นนะ่ะคือให้ทั้งรูปและนามจากการที่เจตนาที่เป็นไปกับการสละนี้ที่มีศีลเป็นประทัดฐานเป็นต้นด้วย เห็นหรือยังว่าให้แล้วมันเห็นผลอย่างเงี้ยทีนี้ความฉลาดของบุคคลที่ประกอบเหตุให้ข้าวเนี่ยให้ข้าวหนึ่งครั้งเป็นต้นแกสัตว์ิราฉาเนี่ยนะท่านรู้ทันทีว่าใช่มร้อยอัตภาพคูณห้าไงผลเนี่ยคือท่านเข้าใจในสูตรในคำสอนเป็นอย่างดีเลยอ่ะปุบพะเจตนาท่านจึงแข็งแรงมูลจะจึงแข็งแรงและา布拉ป ร, ราปรเจตนาจึงแข็งแรง ท่านเห็นร้อยอัตภาพคูณด้วยวอายุคูณด้วยวันนะคูณด้วยความสุขคูณด้วยกาลังแล้วก็ปฏิพานคือปัญญามันเห็นมันเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันรายละเอียดมันเยอะอยงไงนี่มองมองอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่ามองต่อมาในประวัติการคือให้จักคูญญาณให้โสตวิญญาณให้คานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายเยาเงิญญ ให้สัมปติชนะที่เป็นกุศลเนอะสันติรณะให้ตาทาเรามานะเห็นไหมเนี่ยให้ให้ให้วิปากวิบากจิตเหล่าเนี้ยแล้วก็ให้ให้กลุ่มผวังมาทำที่ตาทานั่นแหละแล้วก็ผวังด้วยอย่างนั้นนี่ไงกรณีเจตนากรรมที่เป็นไปกระทานกุศลอย่างนี้เป็นต้นและให้อะไรสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมทั้งหลายคือสิ่งแวดล้อม เราก็มาสมมุติว่าเป็นบ้านบ้างเป็นรถบ้างเป็นทรัพย์บ้างเห็นไหมมันให้ผลสองส่วนส่วนนามธรรมกับส่วนรูปธรรมโดยปรรวตตธรรมเนี่ยแต่โดยบัญญัติก็มาเรียกชื่อต่างกันไปนี่มันผลจากเจตนาเนะผลของเจตนานะเราเข้าใจเหตุผลแบบนี้ไหมถ้าเข้าใจเหตุผลแบบนี้ชัดการประกอบเหตุก็จะชัด ต่อไปในปริมาณของเจตนาก็จะเริ่มระดมค่อนข้างมากก่อนขณะและหลังทีนี้การจะระดมให้เกิดขึ้นมากหรือไม่มากนั้นนะ่ะมันเกิดจากความเข้าใจไงว่าเราจักต้องการเจริญกุศลเพราะว่าความอย่าลืมนะว่ากุศลเนี่ยใช่ไมกุศ ล, ละจิตเนี่ยกุศ ล, ละธรรมเนี่ยลักษณะของกุศลนั้นนะ่ะเป็นลักษณะที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขเนื และผลที่เขาให้เนี่ยให้ผลมากกว่าตนนะเขาให้ผลมากกว่าตนนะมากกว่าความเป็นกุศลนะมากกว่าความเป็นกุศลธรรมดานะเขาสามารถจะเป็นปัจจัยแก่มหาคตะกุศลเห็นไหมซึ่งเป็นฌานกุศลทุกระดับแล้วก็มักกุศลด้วยแล้วก็นู้นให้วิบากที่เป็นผลนู่นแ่เกิดขึ้นได้ด้วยก็ด้วยการประกอบกุศลอย่างนี้ นี้ถ้าปริมาณของกุศลเหล่านี้ไม่แข็งแรงไม่ชัดเจนแล้วมันจะผลิตมันจะมีกำลังพอได้อย่างไรเนี่ยจะมีกำลังพอไม่พอต่อการที่จะเกื้อหนุนกุศลต่างๆเหล่านั้นเกิดไม่ใช่ว่าเป็นธรรมชาติที่ค่อยเป็นค่อยไปนะของแบบนี้ไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติที่มีความจงใจตั้งใจจริงๆในกรณีที่จะทำมันมีแผนมีเป้าหมายการเดินทางค่อนข้างชัดมันแปลว่า ท่านที่มีความเข้าใจคําสอนอย่างดีนะ้นเามีแผนมีตารางเขาแล้วว่าเขาจะต้องเดินแล้วก็าไข้ควรทุกวันน่ะไข้ควรทุกวันไม่หยุดเอาสิเป็นอย่างนี้ไหมนี่พอจะมองเห็นเลนี่พยายามเดินช้าๆนี่ก่อนที่จะมาแยกแย ะ, ะรายละเอียดเนี่ยนะนี่ลักษณะอย่างนี้เขาเดินเดินไอ้กุศลในลักษณะเนี้ยฉะนั้นทานเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะตัวตัววัตถุทานเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะ เป็นอุปกรณ์ในการที่จะสามารถปรุงแต่งฉะนั้นทานจึงวิจิตออกไปตามประเภทของจะประดับจิตปรุงแต่งจิตของท่านและให้สังเกตดูไหมว่าเพราะโพธิสัต์ท่านจะแยกแยะเดี๋ยวจะไปดูในยริยาปปตกประกอบหรือดูในสูตรอื่นประกอบไม่จะเห็นเลยท่านจะแยกแยกย่อยทานและให้อย่างนี้ได้อย่างไรให้อย่างนี้ได้อย่างไรให้อย่างนี้ได้อย่างไรรายละเอียดนั้นแต่ว่าอะไรนะ่ยท่านมาขัดจิตของท่านนะทำจิตของท่านนะั้นมีความ ชำนาญแล้วก็มีความประณีตยิ่งๆน่งแหละซึ่งซึ่งท่านจะบอกเหตุบอกผลบอกเหตุบอกผลเขาไว้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวเจตนานะคะเป็นหลักตัววัตถุทานแต่จริงๆวัตถุทานเนี่ยที่ยิ่งใหญ่มากหรืน้อยมีความสําคัญมากๆเลยเพราะสามารถจนกระทั่งจนกระทั่งถึงเป็นปรามบราบารมีนะคะประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งวัตถุ เล็กวัตถุใหญ่วัตถุที่ได้มาหามาได้ด้วยความใช้ความพยายามมากนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้เกิดเป็นกุศลทานกุศลที่มีกําลังแรงกล้าได้นะคะจากการพิจารณาความได้มาของวัตถุทานนะคะ เ, เส้นทางต่างๆของการที่ได้มาด้วยความสุจริตด้วยความ เ, เรียกว่าเรี้ยงดูของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆนะคะพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยสามารถทำให้ทานนั้นมีกำลังเพิ่มขึ้นนะคะ